วันนี้เป็นวันวันที่สามสิบกันยาห้าสามสิ้นเดือนละวันเนี้วันนี้พระไม่ลงมาฉันเก้ารูปนะ้ลงมาฉันยี่สิบเจ็ดนี่จนใกล้ๆจะออกพรรษาละประมาณสองสามอาทิตย์ผู้ที่ภาวนาตั้งอกตังใจภาวนานะ่ตามให้จริงภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพูด ให้กว้างก็กว้างถ้าพูดให้แคบก็แคบทำไมจึงพูดให้กว้างพูดให้กว้างก็คือปลูกศรัทธาปลูกศรัทธาในพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าเราพูดแคบทีเดียวผู้ที่เข้ามาศึกษาใหม่เขาไม่เข้าใจมีจุดประสองค์อะไรที่จะต้องปฏิบัติอย่างนี้จะต้องภาวนาอย่างนี้จะต้องได้บาเพ็ญ ศีล ส, สมาธิปัญญาอย่างนี้เพราะอะไรมันก็ต้องพูดโน้มน้าวหรือว่าเป็นที่เข้าใจมาตั้งแต่พื้นฐานที่พระพุทธเจ้า ต, ตรรู้ธรรมแล้วก็ได้ประกาศพระธรรมคำสอนออกมาให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษามีมากทีนี้ ก่อนที่จะประกาศโน้มน้าวคล้ายๆกับว่าองค์ไหนอยู่ที่ไหนอย่างไรได้สําเร็จมรรคผลอย่างไรมีจุดประสองค์อะไรที่เข้ามาบวชอย่างพวกเราท่านทั้งหลายก็เหมือนกันไม่ใช่ว่า ป, ปรับมาแล้วเราก็จะเข้าใจทีเดียวก็ไม่ใช่เราก็ได้ยินผู้ที่ถูงอายุหรือพวกที่เคารพนับถือในตระกูลของเราหรือว่า เข้ามาศึกษามาฟังแล้วก็พวกเราก็ได้ยินได้ฟังได้ศึกษาแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติจุดประสงค์หลักใหญ่ของพระพุทธศ า, าสนาคืออะไรทีแรกก็กว้างขวางเราศึกษาการอยู่ด้วยกันมีความพร้อมเพียงสมัครคีกรักกันมีเมตตาอารีต่อกันจากนั้นก็ให้รู้จักเรียนรู้ เรื่อง ว, วิยาวุฒคุณวุฒคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ประเทศชาติบ้านเมืองอการดูด้วยกันจะทำอย่างไรจึงจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสรุปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าบัญญัติกฎกฎติกาขึ้นมาแล้วถึงไหนสำหรับฆราวาสญาติยาโยมก็คือศีลห้าศีลอุโบสถคือศีลแป สำหรับสำมเณินที่ยังเป็นเด็กอยู่รักษาศีลสิบส่วนพระภิกษุสงฆ์รักษาศีลสองร้อยี่สเจ็ดแภิกษุณีเข้ามาบวชอีกภิกษุณีก็รักษาศีลสามร้อยกว่าภิกษุณีเลยเขาบอาทำผิดอยู่เรื่อยเพราะพระพุทธเจ้าเขาบัญญัติเป็นต้นบัญญัติบัญญัติพระวินัยเพื่อคุ้มครอง ก็ไม่ให้มันแบบพูดแบบง่ายๆคือไม่ให้เหยียบตาปากันว่ากั้นคเคยให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันการอยู่ด้วยกันให้รู้จักสูงรู้จักตำ่ำรู้จักสหธรรมิกให้รู้จักผู้ที่เข้ามาบวชใหม่ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันอันนี้คือคือสิทธิ์แล้วแต่เนี่คือกฎระเบียบจากนั้นท่านตั้งกฎระเบียบเพื่ออะไรเนี่ย เพื่อการอยู่ด้วยกันเพื่อการอยู่ร่วมกันถ้าคนเราไม่มีกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันยังไม่มีกฎหมายบ้านเมืองอย่างเนี่ยหพวกเราคิดคิดหลับตาคิดตูกันแล้วกันถ้าไม่มีกฎหมายบ้านเมืองพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขได้อย่างไรแต่ว่ามีกฎหมายบ้านเมืองคุ้มคลองเราก็อยู่ด้วยกันพึ่งพากฎหมายนี่ก็เหมือนกัน พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมาเพื่ออะไรถ้าว่ากฎหมายบ้านเมืองก็ปกครองเฉพาะกฎหมายบ้านเมืองแต่สำหรับพระละ่ะสาหรับพระนะถ้าว่าไปบ้านเมืองนั้นเป็นยังไงไปบ้านเมืองนี้เป็นยังไงแต่ละบ้านเมืองนะกฎหมายบ้านเมืองของเขากฎหมายของพระก็ต้องมีคือศีลถ้าจะว่าไปก็คือกฎระเบียบ เหมือนกันกับกฎหมายสินละวินยัยหรือกฎหมายคืออันเดียวกันเพราะนั้นพระสงฆ์ท่านจึงอยู่ในกฎระเบียบคือกฎเกณฑ์หรือว่ากฎวินัยของท่านสินของท่านนะแเมื่ออยู่ในศีลารวัจแล้วก็เมื่อเราหยั่งดึกเข้าไปที่ไนบัศีาจารวัตที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นั้นมีการละเอียดที่ท้วนขนาดไหน ทำไม่พระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสินถ้าเราอย่างเข้าไปเลนี้เป็นที่มีที่ไปที่มาเลยตัวนีอ้อ่าร้วนแล้วแต่หลักเหตุผลทั้งนั้นที่ท่านบัญญัติขึ้นมาจากนั้นเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมในแล้วไปนักสถานที่ใดดูดูแล้วก็สวยงาม เ, าเข้ากับชุมชนกลุ่มไหนก็ได้ไม่ผิดแปลกเพราะเหตุไรเพราะพระสงฆ์ ผู้มีศีล น, นี่แหละอันนี้ก็คือการอยู่รวมกันร่วมกั น, กนแต่ส่วนจิตใจแต่ละคนทีนี่คือคล้ายๆกับว่ามันจะเข้าไปเรื่อยๆเลยทีนี่คือทำคําสอนของพระพุทธเจ้าคือการอยู่ด้วยกันก็เป็นกลุ่มน่งแต่นี่เป็นความคิดของเฉพาะแต่ละบุคคลอีกทีนี่คือทำการทำคือแนวความคิดเฉพาะบุคคล เราคิดยังไงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดคิดยังไงเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกนี่แหละอันนี้เขาต้องศึกษาต้องใช้ทาคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นแนวทางอีกทีหนะึงพระพุทธเจ้าให้คิดอย่างไรจึงจะถูกต้องแต่เราคิดดูซิว่าที่พระพุทธเจ้าแนะนำรืะบอกกล่าวนั้นเป็นยังไงต่างคนก็ต่างยอมรับว่าพระพุทธเจ้าได้ผ่านไปแล้ว ได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้วท่านจึงแนะนำสั่งสอนแนวความคิดอย่างนี้อยากให้พวกเราไห้ว่าให้มีสตินะสติสัมปชัญญะพระพุทธเจ้าเน้นหนักสติสัมปชัญญะสติเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญเป็นกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าไปสู่มักสู่ผลที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้รำเพราะนั้นท่านจึงเน้นหนักเรื่องสติให้มีสมาธิก่อน ในเมื่อจิตใจเป็นสมาธิแล้วก็เดินปัญญาปัญญานะั้นปัญญาอะไรนี่แหละนี่แหละของพระพุทธศาสนาที่พวกเราได้ศึกษาที่แรกก็เป็นฐานกว้างฐานกว้างก็คือเรื่องพะสูตุพวิณายนัยประสูตุตก็คือเรื่องราวเป็นมาอย่างไรของพระพุทธศาสนาพระวินัยคือกฎระเบียบแล้วก็พระธรรมพระธรรมคือข้อปฏิบัติ ในแนวความคิดของแต่ละท่านแต่ละคนแต่ว่าเป็นแนวแถวที่พระพุทธเจ้าวางเอาไว้นี่แหละขอให้พวกเราศึกษานะศึกษาเรื่องพระสูตรเราก็ศึกษาพอเป็นแนวทาง ร, ารู้แนวทางบ่าพระพุทธศาสนาเป็นมาเป็นไปอย่างไรในคั้งพุทธกาลเป็นยังไงมาถึงแต่ละยุคแต่ละสมัยเป็นอย่างไรมาถึงยุคเราเป็นอย่างไร พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรอันนี้คือพระสูตรนะส่วนพระวินัยคือกฎระเบียบการอยู่ด้วยกันให้เคารพสิทธิ์ึ่งกันละกันให้มีเมตตาต่อกันให้รักกันเอาไว้อย่าเบียดเบียนึ่งกันและกันอย่าคิดในทางที่ไม่ถูกต้องจะคิดเบียดเบียนจะคิดเอารัดเอาเปรียบกันอันนี้ก็คือพระพุทธศาสนาท่านสอนการอยู่ด้วยกันสรุปแล้วก็คือวินัยคือศีลกฎระเบียบน จากนั้นก็นเรื่องแนวความคิดของจิตใจเถอะโอ้ตัวนี้รู้สึกว่าละเอียดอ่อนมากต้องศึกษานะแล้วก็ลงมือปฏิบัติด้วยนะศึกษาเฉยเฉยไม่ได้ตัวนี้แต่พระสูตรกับพระวินัยนะั้นเราต้องศึกษาอ่านตำรับตำราเรียนรู้นะแต่ว่าพระธรรมจุดนี้แหละคือแนวความคิดจุดนี้แนะ่ะต้องลงมือปฏิบัติเถอนะน่นั่งสมาธิอย่างไรพิจารณาอะไรในเมื่อเรา ได้ปฏิบัติตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงบัญญัตไว้ทุกอย่างเราจิตยอมรับทำคําสอนของพระพุทธเจ้าโอ้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆเป็นเรื่องมรรคเรื่องผลเป็นเครื่องชําระจิตใจของคู่ขนให้บริสุทธิ์ปลุดพ้นจริงๆตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเรื่องทั้งหลายออกมาจากใจทั้งหมดแต่พวกเราท่านทั้งหลายโลกทั้งหลายโลกทั้งโลก เขาจะเพ่งมองทางด้านวัตถุเสมากกว่าใครมีตึกร้านบ้านช่องใครมีเงินคาทรัพย์สมบัติมีเงินในธนาคารมากมีที่ดินมากแล้วก็มีบริวารมากเนี่ยมียศถาบรรดาศักดิ์สูงโลกทั้งโลกก็จะมองกันในลักษณะนี้แต่หลักของพระพุทธศาสนานท่านให้มองทางด้านจิตใจตัวนามธรรมตัวนั้นแหละสำคัญถ้าว่าตัวนั้นดี มีคุณภาพมีคุณธรรมศีลธรรมการบริหารจัดการการทําอะไรออกไปล้วนแล้วแต่ร่มเย็นเป็นจุขแต่ถ้าว่าใจดวงนั้นอ่ะคือนามธรรมดวงนั้นะตัวนึกคิดตัวสมองมีแต่คิดเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีแต่กันแกล้งคนอื่นมีแต่ไร้ศีลธรรมอย่าหวังเลยโลกทั้งโลกหรือ ว, ว่าผู้อยู่ใกล้จะมีความร่มเย็นเป็นจุขเพราะฉะนั้นท่านบอกให้ดูตัวนามธรรมตัวนี้นะ พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ตรัสรู้อะไรพระพุทธองค์ก็บอกว่าตรัสรู้ธรรมใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าใจของพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละชำระตรงนั้นแ่ะชำระกิเลสออกจากใจรู้แจ้งเห็นจริงจุดนั้นจุดนั้นแหละที่เป็นพระพุทธเจ้าในเมื่อใจได้เป็นพระพุทธเจ้าร่างกายก็จะเป็นพระพุทธเจ้าด้วย ประกาศทำกับทำทุกข้อทำรรวินัยประชูดพระวินัยก็เป็นประสูตรพระวินัยทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าด้วยท่านเพ ร, ะราะอะไรพระใจของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจากนั้นก็วัดวาศาสนาบริษัทบริวารพุทธบริษัทจีก็เป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือหลักใหญ่ของพระพุทธศาสนานี่คือใจใจใจคือผู้รู้ หรือนามาทำตัวนึกนึกนึ ก, นกคิดๆนี่แหละตัวนี้แหละเป็นตัวใหญ่ในหลักของพระพุทธศาสนาแต่ที่เราจะอย่างลึกหรือว่าเราจะจับหรือเราจะปฏิบัติตัวนี้ให้รู้แจ้งเห็นจริงน่ต้องศึกษาในแนวทางของพระพุทธศาสนามีแนวทางที่พระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้นะเพราะนั้นขอให้พวกเราลูกหลานคณะัตาญาิโยมทุกคนนะให้ศึกษาเรื่องศีลธรรม สรุปแล้วก็คือออกไปจากใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นพวกเราจึงให้อบรมใจศึกษาเรื่องของใจทำสมาธิคือคืออบรมจิตใจถ้าใจของเรามีเหตุมีผลใจของเรามีศินมีธรรมใจของเรารู้บุญรู้คุณรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักคุณรู้จักโทษใจของเรามีธรรมะพูดง่ายๆจิตใจของเรามีธรรมะจิตใจของเราเยือกเยน็น ใจของเราไม่ เ, เต็มไปด้วยกิเลสราคะโทสะโมหะใจของเราบริสุทธิ์ตุดพ้นนั่นแหละอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นจุกไปหมดรับพรอนอุโ ม, มทนาให้พรยะถาวาริวหาปูราปิปูเรนติสักร